ทางที่ตนตกเฉียงใต้ของวัดพรมบุรีห่างจากวัดออกไปประมาณ5กิโลเมตรวันที่พระเจริญเดินทางมารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสในหล่อซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นเศรษฐีชื่อดังของอำเภออินบุรีได้นำเรือโดยสารมาบริการสามลำแม่ปรโยงพัญยาก็มาด้วยญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์กรรมฐานต่างพร้อมใจกันมาส่งพร้อมทั้งให้สัญญาว่า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 ญาติโยมจึงไม่ศรัทธาระสาทะมหนำซ้ำยังแอ บ, บค่อนขอดรับหลังว่าท่านเป็นเด็กเมื่อวานซืนไม่สมควรที่จะมาสั่งสอนคนเฒ่าคนแก่ผู้ซึ่งเห็นโลกมานานมีประสบการณ์มามากเรือโดยสารมาจอดเทียบท่าน้ำวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาที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 ผมว่ายังยากครับท่านวัดนี้เก่าและทรุดโทรมมากเห็นว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสมพานองค์ก่อนท่านก็ไม่บุรณะปฏิสังขรณ์แต่ประการใดท่านบอกว่ามันทรุดโทรมและเก่าแก่เกินกว่าจะซ่อมแซมได้นายมั่นแสดงอาการท้อแท้ไม่เป็นไรหรอกโยม เรื่องนั้นไว้ค่อยคิดค่อยทำกันไปอาตมาจะทาให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังกายและกำลังทรัพย์จะอำนวยภิกษุผู้มาใหม่พูดให้กำลังใจคนเก่าคนแก่ของวัดสาธุขอให้ท่านจำเริญจำเริญเถิดเจ้าค่ะอุตส่าห์จะมาซ่อมแซมให้ทั้งที่ท่านก็ไม่ใช่คนบ้านนี้พวกคนบ้านนี้ซะอีกที่ไม่สนใจจะช่วยกัน ปล่อยให้วัดวาอารามชำรุสสุโสมโยมคนหนึ่งพูดขึ้นพระเจริญจึงถามนางว่าโยมชื่ออะไรล่จะจ๊ะวันหลังจะได้ทักทายกันถูกอีฉั้นชื่อโถเจ้าค่ะเกิดที่บ้านแป้งนี่เองยังไงอีฉั้นก็ขอปรวรณาว่าจะรับใช้ท่านหากว่ามีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยจะ๊ะบ้านอีฉั้นอยู่ใต้วัดไปนิดเดียวเอง นางชี้มือไปทางทิศใต้ซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ประปรายขอบใจโยมมากถ้าญาติโยมให้กำลังใจกันอย่างนี้อาตมาก็ค่อยเบาใจที่วัดนี้มีพระกี่รูปลปะโยมประโยคหลังท่านถามมรนายกสองรูปครับท่านมีหลวงตาอ้อนกับหลวงตาเฟื่องหลวงตาอ้อนอายุพรรษาห้าสิบ ส่วนหลวงตาเฟื่องเพิ่งจะบวชได้พรรษาเดียวเมื่อก่อนเป็นจ่าสิบตำรวจพอกเกษียณก็มาบวชท่านเลยได้เป็นหลวงตาเพราะอายุมากนอกจากพระสองรูปแล้วก็มีเนนอีกรูปหนึ่งชื่อฉเฉลียวแต่คนเรียกกันว่าเนนเหลียวครับญาติโยมที่มาส่งเมื่อนั่งพักกันหายเหนื่อยแล้วก็พากันลากลับในใจของแต่ละคน ค่อนข้างหดหูเมื่อเห็นสภาพวัดพอจะเดาออกว่าอาจารย์ของพวกตนจะต้องประสบปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องการพัฒนาวัดและเรื่องการปกครองลูกวัดพระและเนนน่าจะมาต้อนรับว่าที่สมผานแต่ก็ไม่มาสักรูปเดียวดูมีลับลมคมในอย่างไรชอบกลแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะไม่ทอดทิ้งท่านอาจารย์ มันไปมาหาสู่ดูแลสารทุกสุกดิบของท่านพระอย่างท่านอาจารย์ใช่จะหาได้ง่ายๆเมื่อไหร่กันจริงดังที่โยมคิดไว้เพราะเมื่ออาคัรตุกะร่วมร้อยพากันลากลับไปมขนายกก็พูดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านผู้เป็นคนท้องถิ่นนั้นว่าคนบ้านนี้เอาใจยากครับพูดอย่างตรงไปตรงมาคือ พวกเขาไม่เต็มใจจะให้ท่านมาเป็นสมภารที่วัดนี้พระหนุ่มรู้สึกเสียวาบในหัวใจหากสติสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่อย่างว่องไวจึงไม่ทำให้เกิดอาการจิตตกทำไมละโยมถามด้วยเสียงปกติคือเขาอยากให้หลวงตาอ้อนขึ้นเป็นสมภารแทนแต่เห็นว่าท่านขาดคุณสมบัติผมก็ไม่รู้ว่าขาดยังไง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 อิชันเห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าค่ะอิฉันเองถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยคิดจะไปขอเลขเด็ดจากพระอิฉันไม่ต้องการร่ำรวยด้วยการทำบาปเจ้าค่ะนางโถรีบสนับสนุนอ๋อยมโถก็ไม่ชอบพระใบหวยหรือพระหนุ่มถามยิ้มยิ้มรู้สึกถูกชะตากับโยมผู้นี้ด้วยว่าอายุอนามคงจะรุ่นราวคราวเดียวกับโยมมารดาของท่าน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 ขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมผมชื่อม่วงครับแม่เล่าว่าตอนแพ้ท้องอยากกินแต่มะม่วงถ้าหากเป็นลูกสาวแกจะให้ชื่อมะม่วงบังเอิญผมคลอดออกมาเป็นผู้ชายแกเลยให้ชื่อว่าม่วงเฉยๆนายม่วงบอกชื่อพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาเสร็จสับโดยไม่ต้องให้ถาม มาตมาอยากทราบความเป็นไปของคนบ้านนี้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างจะได้วางตัวได้ถูกโยมพอจะบอกได้ไหมท่านถามในม่วงส่วนใหญ่ชอบเล่นการพนันและไม่ชอบเข้าวัดครับผมหมายถึงว่าเข้าวัดมาทําบุญถือศีล น, น่ะเขาไม่ชอบแต่ชอบเข้าโบสถ์ครับเข้ามานั่งวิปัสสนาหรือ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 อิชันเห็นแล้วสังเวชใจเหลือเกินทําไมพวกเขาไม่กลัวตกนรกกันก็ไม่รู้โยมที่นั่งติดกับโยมโถพูดเชิงบนแล้วสมภารองค์กรท่านไม่ว่าหรือพระหนุ่มถามท่านก็เคยไปว่าเหมือนกันแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังแถมยังขู่ท่านเสีอีกว่าถ้าไม่อยากอายุสั้นก็อย่ามายุ่งกับพวกเขาสมภารท่านเลยกลัวไม่กล้าไปว่าอีก เมื่คณะยกตอบเขาไม่กลัวพวกชาวบ้านว่าเอาหรือก็ขนาดสมพันธ์แท้ๆพวกเขายังไม่กลัวไม่เกรงนับภาษาอะไรกับพวกชาวบ้านคนนั่งติดกับนางโถพูดอีกจริงอย่างที่แม่ตั้มเขาพูดนั่นแหละขนาดผัวแม่แตม้มเป็นกำนันพวกเขายังไม่กลัวเลยเจ้าคะ่ะนางโถช่วยเสริมพระเจริญจึงรู้ว่าโยมคนนี้ชื่อแต้ม มีสามีเป็นกำนันแล้ววันนี้โยมกำนันไม่มาด้วยหรือท่านถามนางแต้มเขาตายไปแล้วจ้ะท่านตายมาได้สองปีแล้วนางตอบหน้าสลดเมื่อพูดถึงสามีเป็นอะไรตายละ่ะตกกระไดจ้ะแต่ก็ไม่ได้ตายทันทีคือแกนอนป่วยอยู่สามเดือนจึงตายนางปิดบังความจริงบางอย่างไว้ ความจริงที่ว่ากำนันเขียวไม่ได้ตกบันไดลงมาเองหากถูกเมียผลักด้วยเท้าตกลงมาจากนั้นก็ป่วยกระสะกระแสะและถึงแก่กรรมในที่สุดพระเจริญเห็นนางแต้มหน้าจ่อยลงไปจึงพูดขึ้นว่าเอาละทักทายปราัยกันพอหอมปากหอมคอแล้วอาตมาจะขอให้ช่วยพาไปส่งที่กุฏิสักหน่อยหลังจากนั้นก็จะไปกราบหลวงตาอ้อน ส่วนหลวงตาเฟื่องคงไม่ต้องไปกราบเพราะท่านอายุพรรษาน้อยกว่าอาตมาแต่ถึงท่านไปก็ไม่พบหรอกครับเพราะท่านไม่เคยอยู่วัดเมื่อคณายกรายงานซึ่งเท่ากับฟ้องไกรไกยท่านไปอยู่ไหนละ่ะเป็นพระไม่อยู่วัดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนพระนุ่มถามอยู่บ้านครับท่านกลับบ้านทุกวันพอฉันเพนเสร็จ ก็ขนผลหมากรากไม้ของวัดไปให้ลูกหลานกินทำอย่างนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆผมละห่วงท่านเหลือเกินกลัวว่าตายลงท่านจะต้องไปเกิดเป็นเปรตขโมยของสงนี่ต้องเกิดเป็นเปรตใช่ไหมครับเขาถามสมภารองค์ใหม่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาละเมื่อคุ้นกันแล้วอาตมาจะเป็นคนตักเตือนท่านเอง ตอนนี้ช่วยพาอาตมาไปส่งกุติหน่อยเถอะมักคนยกและญาติโยมจึงช่วยกันขนเครื่องอัฐบริการของท่านไปยังกุติสมภารซึ่งอยู่ห่างจากศาลาการประเรียนไปทางทิศใต้ประมาณสิบวากุติหลังนั้นทั้งเก่าทั้งรกรุงรังพวกญาติโยมชายหญิงจึงช่วยกันทำความสะอาดเป็นการใหญ่พวกผู้ชายไปตักน้ำในแม่น้ามาใส่ตุ่ม พวกผู้หญิงช่วยกันกวาดถูปัดหยากใยใยแมงมุมตามคือฝ้าและเพดานขณะที่พวกญาติโยมทำงานสมภารองค์ใหม่ก็ยืนคอยกำกับให้ทำตรงซอกนั้นซอกนี้มุมนั้นยังไม่เกลี้ยงตรงนั้นยังมีรอยเปื้อนเพราะท่านเป็นคนเจ้าระเบียบและละเอียดถี่ถ้วนโยมผู้หญิงคนหนึ่งถึงกับออกปากว่า ท่านสมพานเจ้าระเบียบยิ่งกว่าผู้หญิงเสียอีกอีฉันขอยอมแพ้พระหนุ่มจึงว่าต้องยกความดีให้โยมยายอาตมาอยู่กับโยมยายตั้งแต่อายุหกขวบแมมเรื่องเจ้าระเบียบเงี้ยไม่มีใครเกินโยมยายของอาตมาท่านพูดถึงโยมยายด้วยความชื่นชมแล้วตอนนี้โยมยายของท่านยังอยู่หรือเปล่าครับ นายม่วงถามเสียแล้วเพิ่งเสียเมื่อสองปีมานี้โยมยายอายุยืนตอนตายอายุ99ขาดอีกไม่กี่วันก็จะครบร้อยแล้วหลงไหมเจ้าคะนางแต้มถามไม่หลงเลยใจโ ย, ยมสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีเลือกเกินตอนจะสิ้นใจก็ให้ศีลให้พร ล, ลูกหลานแล้วก็บอกลาจากนั้นก็หลับไปเฉย ภิษุหนุ่มเล่าภาพเหล่านั้นยังติดตาติดใจมาจนบัรนี้โทช่างมีบุญเหลือเกินแสดงว่าเป็นคนชอบทำบุญใช่ไหมเจ้าคะโยมคนหนึ่งถามถูกแล้วจะ้ะโยมยายชอบทำบุญชอบฟังเทศเล่าให้อัตมาฟังว่าพ่อแม่พาไปวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมโยมลจะจ้ะ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 มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราต้องปลูกฝังสั่งสอนให้คนรุ่นหลังยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นโยมนะท่านถือโอกาสฝากฝังสองชั่วโมงต่อมากุติสมพานที่เคยรกรุงรังก็สะอาดสะอ้านดูงามตา พระเจริญอนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตของญาติโยมที่มาช่วยแล้วถามขึ้นว่าแถวนี้มีน้ำแข็งใส่น้ำหวานขายไหมมีครับเหนือวัดไปหน่อยมีร้านน้ำแข็งมีขนมด้วยประเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาถวายในม่วงขันอาสาอาตมาไม่ฉันหรอกแต่อยากจะเลี้ยงญาติโยมโยมช่วยไปซื้อมาสู่กันกินหน่อยนะ ท่านลุงปัจจัยออกมาจากย่ามส่งให้ในม่วงไม่เป็นไรเจ้าค่าพาะพวกอีชั้นไม่อยากรบกวนท่านแค่นี้ก็อิ่มบุญไปตามๆกันแล้วนางแต้มขานด้วยรู้สึกเกรงใจสมผานองค์ใหม่ไม่ได้รอกโยมอาตมาไม่ชอบเอาเปรียบใครขอให้อาตมาได้ตอบแทนบ้างแม้มันจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับน้ำใจของญาติโยมอาตมาขออนุญาตนะ ถ้าเช่นนั้นก็ตามแต่ท่านจะ ก, กรุณาเธอเจ้าค่ะโยมผู้หญิงที่อายุน้อยก่บเพื่อนว่าหล่อ น, นึกอยากจะกินน้ำแข็งใส่น้ำหวานเพื่อดับกระหายในม่วงจึงเดินไปซื้อสักครู่ก็ถือถาดมาคนละใบกับเด็กหนุ่มลูกเจ้าของร้านในถาดมีแก้วน้ำแข็งใส่น้ำหวานบรรจุถาดละสิบแก้วซึ่งเมื่อแจกจ่ายแล้วครบคนพอดีได้กินน้าแข็งแก้กระหายกันแล้ว บรรดาญาติโยมก็ลาสม่านกลับบ้านเรือนตนพระเจริญจัดการสงน้ำและนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยและจึงออกสำรวจรอบๆวัดคิดว่าค่ำๆจึงจะไปกราบหลวงตาอ้อนท่านเดินสำรวจไปเรื่อยๆกระทั่ง มายืนอยู่หน้าเสราระเบียงพระวิหารที่เสามีตัวอักษรเขียนเป็นโครงสี่สุภาพความว่าชัยโยอาวาดนี้เจ้าพระยารัตนบดินตราเสกสร้างเป็นที่สมุหนายกยดยิ่งใหญ่แห่ฉลองบาทพระเจ้าช้างเผือกผู้ทรงทัน อ่านแล้วพี่สุหนุ่มจึงได้รู้ว่าวัดนี้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของพระเจ้าช้างเผือกซึ่งคงจะเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงครองราชอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช1991ถึง231ตัวท่านเองก็เคยเกิดเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยา คงต้องมีอะไรผูกพันกันเป็นแน่จึงได้จับพลัดจับผูมาอยู่ที่วัดนี้ตกค่ำพระเจริญจัดการนำทูบเทียนแผ่ใส่พานไปกราบหลวงตาอ้อนเมื่อท่านขึ้นไปบนกุฏิภิกษุวัยเจ็ดสิบเศษกำลังนั่งสูบยาเส้นม้วนด้วยใบตองแห้งอยู่ในห้องของท่าน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 ทิตธรรมโมวัดพรมบุรีมารายงานตัวครับทางการเข้าส่งกระผมให้มาประจำที่วัดนี้ท่านไม่บอกว่าให้มาอยู่ในตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเพราะรู้ตื้นลึกหนาบางจากญาติโยมที่มารับเมื่อตอนบ่ายแล้วพูดจบท่านวางผ่านไว้ทางขวามือและกราบสามครั้งหลวงตาอ้ อ, อนอยังคงนั่งเฉยไม่พูดไม่จา หลังพิงข้างฟาขาเหยียดตรงไปข้างหน้าตามสบายพระหนุ่มรู้สึกอึดอัดที่อีกฝ่ายไม่ยอมพูดจาด้วยในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าลุงตาจะไม่กล่าวต้อนรับกระผมสักคำสองคำหรือครับลุงตาวัยเจ็สิบเศษพูดหุวนๆ ว, ว่าข้าไม่มีอะไรจะกล่าวเสรจฐุระของแกแล้วก็กลับไปได้ ภิกษุหนุ่มถูกไล่ทางอ้อมดังนั้นท่านจึงก้มกราบอีกสามครั้งแล้วจึงลุกออกมาขณะเดินกลับกุฏิท่านนึกในใจว่าสงสัยจะต้องใช้คาถากรณียะเมตตาสูตรของพระพุทธเจ้าอีกแล้วโยมยายจ๋าอยู่ที่ไหนโปรดช่วยพระหลานชายด้วยเถิดจ๊ะ